254อับปปติกรรมะอุเขปนิย ก, กรรมปฏิปัสสธิกถาว่าด้วยการระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติ427ภิกษุทั้งหลายอนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติ แล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงอุกเขเปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ ขอระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติเอาละพวกเราจะระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัต <Mon S 1> ิแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับอุกเขปนิยกรรม เพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ same, ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูประงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูป ระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้น